สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า อ, อ, อเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็ น, เ, นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนของผมนะครับมันเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งเพื่อนผมคนนี้ผมสมมุติชื่อให้ชื่อบอนกันแล้วกันครับ บอลมีพี่ชายสมมติว่าชื่อบอยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่บอลอายุราวๆแปดขวบส่วนพี่บอยนั้นจะอายุห่างจากบอล15ปีเพราะว่าแม่มันตั้งท้องตอนอายุมากแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวของมันต้องย้ายไปอยู่อำเภอหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งไม่ใช่อเภร์เมืองครับเพราะว่าเรื่องงานของพ่อก็เลยต้องย้ายไปซึ่งที่ทางานของพ่อบ bon อก็ได้จัดหาที่อยู่ให้กับครอบครัวของมัน ทีแรกก็ย้ายกันไปแค่3ามคนนะครับมีพ่อแม่แล้วก็บอนแต่พี่บอยที่เรียนจบแล้วและยังไม่มีงานทำก็เลยได้ย้ายไปอยู่ด้วยระหว่างที่รองานลักษณะของบ้านจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นชั้นบนมี2ห้องนอนชั้นล่างโลง่งมีทั้งหมด8ยูนิตครอบครัวของบอนได้อยู่ยูนิตที่7ครับเกือบสุดท้ายเลยแต่ยูนิตที่อยู่ติดกับครอบครัวของบอนนั้นไม่มีคนอยู่เลย ซึ่งก็หมายความว่ายูนิตที่1ถึงยูนิตที่5มีคนอยู่เต็มหมดแล้วแต่ละหลังจะมีลานด้านหน้าเอาไว้เป็นที่จอดรถและมีรั้วแบ่งแต่ละยูนิตมีประตูรั้วปิดด้านหน้าบ้านอีกทีหนึ่งหากท่านใดยังมองภาพไม่ออกผมอยากให้นึกถึงบ้านทาวน์โฮมในแบบปกติที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปในตอนนี้นั่แหละครับตรงข้ามทาวน์โฮมทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีกำแพงคอนกรีตที่เจ้าของที่ดินนั้นได้ล้อมเอาไว้ แต่ว่าไม่ได้ล้อมไว้หมดขาดการดูแลพอสมควรเลยมีหญ้าขึ้นรกจนเกือบจะเป็นป่าและในซอยที่เข้าไปก็ค่อนข้างเปลี่ยวแต่ไม่ไกลจากปากซอยมากนะครับแค่ประมาณ 200-300 ถึงเมตรเท่านั้นเพียงแต่กลางคืนจะมืดและเปลี่ยวมากมันบอกว่าถ้ากลั้นใจวิ่งเนี่ยไม่ถึง2นาทีก็ถึงตัวทาวโฮมครับในซอยถ้าไม่รวมทาวโฮมคือมีบ้านอยู่ไม่เกินสิหลังคาเรือนเท่านั้นเอง ครอบครัวของบอลก็ย้ายมาอยู่เกือบเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจนวันหนึ่งก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่ยูนิตที่8ติดกับครอบครัวของบอลเป็นผู้หญิงคุณป้าไว้กลางคนคนหนึ่งรูปร่างผอมเพรียวผิวขาวซีดผมดกดำแต่ว่าทาปากสีแดงแจ๊สเลยแกย้ายมาอยู่คนเดียวตอนนั้นบอลบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดูน่ากลัวพิลึกเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แปลก แม่บอนถามก็ไม่พูดยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบแล้วก็ไม่สบตาหลังจากเขาขนของเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลยได้ยินแค่เสียงเหมือนคนที่อยู่ในบ้านแค่นั้นแต่ที่ได้ยินบ่อยสุดเนี่ยจะเป็นเสียงไอเสียงผู้หญิงคนนี้เนี่ยไอแปลกไอแห้งๆแล้วมันก็จะมีเสียงกรีดแหลมๆหลุดออกมาในตอนท้ายๆคล้ายเสียงหมาเวลามันไอแต่พ่อก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งที่พ่อกลับบ้านมาดึก ก็เห็นแกออกมายืนมองพ่อจากทางหน้าบ้านจ้องตาขมิงแต่ก็ไม่พูดพ่อยิ้มให้แกก็ไม่ยิ้มตอบจริงๆเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่คือประมาณ1สัปดาห์ที่ผู้หญิงคนนี้ย้ายเข้ามาอยู่จู่ๆเพื่อนบ้านหลังที่2ที่เป็นคุณยายอายุราวๆเจ็ดปีก็ออกมายืนด่าผู้หญิงคนนั้นที่หน้าบ้านด่ากราดแบบโมโหมากเลยครับฟังไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาด่ากันเป็นภาษาอีสาน บอนบอกว่าเท่าที่ฟังออกเนี่ยมันประมาณว่าไล่ให้ไปให้พ้นอย่ า, าให้กูเห็นหน้าอีกอย่ามายุ่งวุ่นวายกับหลานกูอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้นกลางวันก็แทบจะไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วและเกศจะไปทำอะไรให้ใครหรือว่าตอนกลางคืนนั้นเขาทะเลาะ ก, กันอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าครอบครัวของบอลตอนนั้นก็ไม่ได้ไปช่วยหรือว่าไปห้ามอะไร ไม่นานคนที่บ้านของยายก็ออกมาช่วยห้ามปลามาไว้แล้วก็พาคุณยายกลับบ้านแล้วในคืนนั้นเองเวลาประมาณตีหนึ่งบอลก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ไออยู่ข้างนอกบ้านบอลนอนกับพี่บอยแล้วก็ห้องเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งฝั่งที่ตรงหน้าบ้านพอดีและเปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ก็จะมีมุ้งลวดเพราะว่ากลัวยุงมันเลยทําให้ได้ยินเสียงชัดเจนมันปลุกพี่บอยแต่พี่บอยก็ไม่ตื่น บอลมันอยากรู้อยากเห็นก็เลยแอบมองผ่านมุ้งลวดออกไปและสิ่งที่บอนเห็นมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุมของผู้หญิงคนนั้นเดินเลยหน้าบ้านมันไปแล้วตรงไปยังกำแพงอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วก็หายไปในความมืดถึงมันจะไม่ชัดมากแต่บอนก็คิดว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่เพราะเสียงไอแ ป, กแปลกๆนั้นแต่ที่พีคคือพริบตาเดียวมันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นไปนั่งยองๆ อ, อยู่บนกำแพงคอนกรีต แล้วพังงกหัวแล้วก็โยกตัวไปมาหน้าหลังหน้าหลังแบบช้าๆและมีเสียงร้องทุ้มๆใหญ่ๆอยู่ในลำคอมันเป็นเสียงเหมือนนกกำลังรอง้อง ต, ตอนนั้นบอนกลัวมากเพราะธรรมดามันก็เป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วเห็นแบบนั้นก็เลยรีบคุมโปงนอนเบียดพี่ชายจนเช้าเลย พอเช้ามาบ้านยูนิตที่2ก็มีคนตายและคนตายก็คือหลานชายของคุณยายคนนั้นนั่นเองทำกลางความโศกเศร้าเสียใจในเช้าวันนั้นคุณยายก็ได้เดินไปสาบแช่งแล้วก็ปาเข้าของใส่ยูนิต ท, ที่8เป็นระยะๆะะด้วยความโกรธแค้นและทุกคนในบ้านก็ยังคงไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เราตอนนี้ในฐานะผู้ฟังก็คงจะพอดาวได้ใช่ไหมครับว่ายายป้ายูนิต ท, ที่8 คงจะมาเอาชีวิตหลานคุณยายยูนิตที่2ไปอะไรประมาณนี้ตกช่วงบ่ายแม่ของบอลก็ได้ไปช่วยงานศพที่ยูนิตที่2ทิ้งให้บอลและพี่บอยเฝ้าบ้านกันอยู่สองคนขณะที่อยู่กันสองคนพี่น้องเวลาตอนนั้นก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วบอลเดินออกมาก็เห็นยายป้ายูนิตที่8กํกำลังพยายามจะปีนรั้วข้ามมายังบ้านของบอลจังหวะจ้องหน้ากัน ยายป้าคนนั้นตาเหลือกโพลงทำท่าตกใจแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรบอนเลยยังพยายามจะปีนข้ามมาให้ได้อย่างทุลักทุเลบอนเห็นดังนั้นจึงตกใจและร้องกรีด๊ดออกมาเสียงดังจนพี่บอยออกมาเจอเฮ้ย hey, ป้าทำอะไรเนี่ยปีนข้ามรั้วผมทำไมแต่ป้าก็ยังพยายามจะปีนต่อบอนรีบมาหลบหลังพี่บอยพี่บอยคว้าไม้กวาดทางมะพร้าวได้พร้อมหวดถ้าป้าปีนข้ามมานะผมฟาดไม่เลี้ยงแน่เอาสิ เมื่อป้าได้ยินดังนั้นจึงทําท่าหยุดแล้วจ้องตาพี่บอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลิกปีนจากนั้นก็ถอยลงกลับเข้าบ้านตัวเองไปบอลตกใจมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย2พี่น้องรีบวิ่งไปหาแม่ที่งานศพที่ยูนิต ท, ที่สทันที2พี่น้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังบอนก็เสริมเรื่องเมื่อคืนที่ได้เจอมาให้ทุกคนได้ฟังด้วยแต่จะด้วยความไม่เชื่อหรือแค่ไม่อยากให้ลูกกลัว พ่อกับแม่ก็ได้แต่บอกว่าอาจจะฝันไปหรือเปล่าหรือว่าตาฝาดเห็นนกเป็นป้ายูนิตที่8ไปแต่เย็นวันนั้นหลังจากฟังลูกๆเล่าพ่อก็ไม่รอช้าไปยืนเรียกป้ายูนิตที่8ที่หน้าบ้านของแกให้ออกมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าจู่ๆมาปีนบ้านคนอื่นทำไมแต่ก็ไร้ซึ่งวิเวลของป้ายูนิตที่8ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาแม้แต่เสียงไอแปลกๆ ก, ก, ก็เงียบไป ประมาณ2 ส, สัปดาห์หลังจากนั้นทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ได้แค่2 ส, สัปดาห์เท่านั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกคืนนั้นบอลนอนกับพี่บอยตามปกติเราเราเที่ยงคืนกว่าก็ได้ยินเสียงไอจากป้ายูนิตที่8เป็นเสียงไอแปลกๆเหมือนอย่างเคยแต่มันดังขึ้นเรื่อยๆดังเป็นช่วงๆสลับกับเบาบอลพยายามปลุกพี่บอยให้ตื่นแล้วแต่เขย่ายังไงก็ไม่ยอมตื่น เสียงไอก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็มาดังอยู่ในห้องมันดังในห้องจนเสียงกลงวานครั้งนั้นครั้งเดียวบอนกรีเสียงหลงล้านบ้าน <c oughs> จนพ่อกับแม่ต้องวิ่งขึ้นมาและเปิดไฟและภาพที่เห็นนั้นก็คือพี่บอยนอนหงายตาเหลือกโพลงอ้าปากค้างแม่กับพ่อรีบมาเขย่าตัวปลุกพี่บอยยังไงก็ไม่ยอมตื่นทุกคนจึงพาพี่บอยไปโรงพยาบาลทันทีในคืนนั้น หมอบอกว่าเกิดจากอาการช็อกและให้นอนดูอาการจนเช้าก็กลับบ้านได้พอกลับมาถึงบ้านพี่บอยก็มีอาการซึมซึมเหมือนไม่สบายทั้งวันแล้วก็เอาแต่นอนอยู่ในห้องวันนั้นทั้งวันพี่บอยไม่ยอมออกไปไหนเลยจนแม่ต้องเอาข้าวขึ้นมาให้ถึงบนห้องพอตกกลางคืนบอนก็ไม่กล้าที่จะนอนกับพี่บอยอีกแล้วเพราะว่ากลัวแต่แม่ก็บังคับบอกให้นอนเฝ้าพี่เผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นพี่ตัวเองแท้ๆจะกลัวทําไม ไร้สาระมันเลยจำเป็นต้องนอนกับพี่บอยไปตามปกติแต่แน่นอนล่ะครับว่ามันไม่ปกติแน่นอนคืนนั้นทั้งคืนมันได้ยินเสียงไออีกแล้วบอนตั้งท่าจะวิ่งไปห้องพ่อกับแม่แต่ว่ามันก็เห็นพี่บอยลุกขึ้นมานั่งยองๆมันเลยถามพี่บอยว่าเจ้าอะไรหรือเปล่าพี่บอยไม่ตอบเสียงไอแห้งๆของป้ายูนิตที่8ก็เริ่มลอยตรงมาทางหน้าบ้านบอนเผลอเหลือบไปมอง เห็นแกนั่งอยู่ที่กำแพงตรงจุดเดิมอีกแล้วครับตรงฝั่งตรงข้ามถนนพผงกหัวโยกไปโยกมาแล้วก็มีเสียงทุ้มต่ําอยู่ในลําคอเหมือนเดิมอ่อตอนนั้นบอลอยู่ไม่ไหวแล้วครับรีบวิ่งไปเคาะห้องพ่อกับแม่ให้มาช่วยดูพี่บอยหน่อยพร้อมกับบอกพ่อกับแม่ให้ไปดูป้าคนนั้นที่นั่งยองๆอยู่บนกำแพงฝั่งตรงข้ามบ้านแต่พอทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างบ้าน กลับเห็นเป็นนกเค้าแมวตัวใหญ่เบิกตาโพรงส่งเสียงร้องสลับกับโยกไปมาช้าๆพ่อใช้ไฟฉายส่องไปที่ตัวมันมันกลับอ้าปากกว้างจ้องเขม็งมาทางนี้ตามไม่กระพริบเลยแล้วก็ส่งเสียงออมันดังตั้งวานพ่อเหมือนจะรู้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างจึงตะโกนไล่มันไปไปซะทาไมไปกูจะยิงมึงเดี๋ยวนี้แหละ ฟังแม่ก็พยายามปลุกพี่บอยให้ตื่นจนสุดท้ายพี่บอยก็ยอมนอนลงไปแต่ในขณะที่ตายังหลับอยู่แต่ว่าพี่บอยกลับเป่งเสียงแหบแหบแห้งๆออกมาว่าจ้าพร้อมกับยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอทั้งที่ตายังหลับอย่างนั้น <c oughs> บอนขนลุกไปทั้งตัวและรู้สึกได้ว่าพ่อกับแม่ก็คงจะรู้สึกเช่นกันพ่อแม่รอช้ารีบเดินไปหยิบพระในห้องมาคล้องคอพี่บอย พร้อมกับเอาปืนออกมาด้วยทุกอย่างจึงดูสงบลงทุกคนตัดสินใจที่จะนอนด้วยกันกับพี่บอยทั้งพอ่อแม่แล้วก็บอนเพราะว่าไอ้บอนเนี่ยมันไม่มีทางจะนอนกันลำพังสองคนกับพี่มันแล้วแน่ๆเช้ามืดเวลาประมาณตีหครึ่งแม่ก็ลงมาเตรียมอาหารเช้าข้างล่างขณะที่กำลังจะเอาขยะออกไปทิ้งที่หน้าบ้านแม่ก็เห็นคุณยายยูนิตที่2มายืนอยู่หน้าบ้านของคุณป้ายูนิตที่8 โดยคุณยายยืนอยู่ข้างนอกรั้วที่กั้นไว้พ่อยายแกเห็นแม่ของบอลก็หันขวับมาจ้องมองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแม่บอกว่ายิ้มให้ยายแต่ยายกลับไม่ยิ้มให้แม่ถามว่าคุณยายมาทําอะไรตรงนี้แต่เช้าก็ไม่ยอมตอบแต่สิ่งที่ทําให้แม่ขนลุกก็คือสายตาของคุณยายที่จ้องมองขเขม็งมาที่แม่อย่างไม่ยอมละสายตาจนแม่เอาขยะไปทิ้งแล้วก็เดินกลับมาคุณยายก็ยังมองอยู่อย่างนั้นแม่ก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้านแบบงง พอถึงช่วงสายๆคุณยายยูนิตที่2ก็เดินมาเรียกแม่ให้ออกไปคุยด้วยบอลเห็นแม่ยืนคุยกับคุณยายอยู่ครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาในบ้านแม่ชวนบอลเดินขึ้นไปดูพี่บอยบนห้องแม่จุดทูบหนึ่งดอกพร้อมกับพนมมือสวดอะไรสักอย่างทำปากขมุบขมิบอยู่ในลำคอเหมือนกำลังท่องหรือสวดอะไรอยู่จากนั้นแม่ก็เดินลงมาข้างล่างแล้วเอาทูบ ป, ปักลงที่ดินหน้าบ้านโดยการปากักทูบนั้นแม่ปักด้านที่ติดไฟลงดิน แม่มาเล่าให้พ่อฟังทีหลังว่าคุณยายยูนิตที่2เดินมาบอกว่าป้ายูนิตที่8เนี่ยกําลังจะมาเอาชีวิตพี่บอยพร้อมกับให้วิธีป้องกันมาหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยความสับสนและความกลัวแม่ก็เลยยอมทําตามเพราะคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อพ่อได้ยินอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งไปดูพี่บอยบนห้องและภาพที่เห็นนั้นก็คือพี่บอยกําลังชักเกรงตาค้างเบิกโพรง อาปากกว้างแต่คราวนี้พี่บอยชักกระตุกด้วยบอนบอกว่าตอนนั้นทั้งสงสารทั้งน่ากลัวไปหมดทุกคนจึงรีบพาพี่บอยไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่ก่อนที่จะออกจากบ้านทุกคนเห็นป้ายูนิน ท, ที่8ปดมาเกาะขอบรัว้วมองมาที่บ้านบอยพร้อมกับเปลงเสียงเหมือ น, นกเขาแมวตัวนั้นมันเป็นเสียงช้าและดังชัดกลางวานัน และแน่นอนว่ามันออกมาจากปากของยายป้าคนนี้อย่างแน่นอนระหว่างทางแม่ก็ถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เลยบอกว่าวิธีที่แม่ทํานั้นที่ใช้ทูบด้านที่ติดไฟปากลงดินมันเอาไว้บูชาผีนะสิได้ยินแบบนั้นแม่กับบอลถึงกับขนลุกและระหว่างทางไปโรงพยาบาลยังเห็นนกเข้าแมวบินมาตัดหน้ารถอีกและบางทีก็ได้ยินเสียง มันดังช้าๆเย็นยเยียกและกล้องกังวานมาแต่ไกลทุกคนนิ่งเงียบไม่พูดอะไรกันท่ามกลางความเงียบพี่บอยก็เปล่งเสียงขึ้นมาว่าจ้าเพียงเท่านั้นแหละครับแม่ถึงกับปล่อยโวกมาเสียงดังแม่ร้องไห้จนถึงโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าพี่บอยจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้พอไปถึงโรงพยาบาลก็ค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อยแต่โชคไม่ได้เข้าข้างครอบครัวของบอ น, นักเพราะว่าพี่บอย พี่ชายของมันก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในคืนนั้นเองแม่ร้องไห้ใจจะขาดทั้งสะบดคำหยาบด่าทอผีสางออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครอบครัวของบอลที่เหลืออยู่ก็หอบหิ้วกันกลับบ้านอย่างทุลักทุเลโดยความตกใจและงุนงงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากพอๆกับแม่ที่ออกไปยืนตะโกนด่าสาบแช่งป้ายูนิตที่8ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่มีใครทราบได้พอตั้งสติได้ พอจึงรีบไปเอาตัวแม่กลับมาที่บ้านงานศพผ่านไปท่ามกลางความงงของทุกคนในบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีๆทำไมถึงต้องเสียลูกชายแล้วก็เสียพี่ชายไปโดยสาเหตุมาจากการช็อกจนหัวใจล้มเหลวจากปากแพทย์แค่นั้นเองเหรอครอบครัวของบอลมาจัดงานศพพี่บอยที่กรุงเทพและได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีหลังจากงานศพเสร็จสิน้นพ่อของบอลลาบวช3มเดือน และหลังจากนั้นนานหลายปีมากพ่อจึงยอมเปิดปากบอกทุกคนว่าขณะที่ไปบวชก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอาจารย์อวุโสฟังท่านจึงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีที่มีอาคมแก่กล้าที่มีคนเลี้ยงเอาไว้แต่เจ้าของมันทำผิดครูจึงทำให้ผีตนนั้นกินเจ้าของมันตายแล้วก็ออกมาอาลวาดโดยมันเรียกเจ้าของมันว่าพ่อมันคงแปลงกายเป็นนกแล้วไปร้องเรียกหาพ่อของมันตามที่เราได้ยิน ซึ่งมันก็หมายความว่าพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยนั่นเองซึ่งเป็นคําในภาษาอีสานที่ใช้เรียกกันแบบประมาณว่าพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยหล่าเอ๋ยที่มันแปลว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าลูกจา๋าอะไรประมาณนี้ครับมันตามเอาชีวิตคนไปเรื่อยๆส่วนยายยูนิตที่2ที่มาหลอกแม่พ่อบอกว่าคงเป็นเพราะนางผียูนิตที่8ไปเข้าสิงหรือใช้อํานาจบางอย่า ง, บ, างบังคับหรือแปลงกายแล้วมาหลอกใช้แม่นั่นเอง จนถึงทุกวันนี้ครอบครัวของบอลก็ไม่เคยย่างกลายกลับไปที่นั่นอีกเลย <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณที่มาเรื่องเล่าจากเว็บไซต์พันทิป .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับส r คร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ